พูดตามหลักเหตุผลจริงๆแม้แต่มนุษย์อย่างยากเอานี้แล้วเทวดาละ่ะถ้าไปเทวดาไปอยู่ได้กี่วันเชียวเนาะเนี่ยเบุญอะไรมันอยู่ได้กี่วันเนอะเหมือนกับไปจองโรงแรมดีๆ V.I.P. ชั้นหนึ่งที่เราบอกมาหาแพงที่สุดเนี่ยนะมันอยู่ได้กี่วันนะจะมีบุญได้อยู่ได้กี่วันอ๋อสองบอกว่าพรหมโลกโอ๊ยพรหมมิหารทําท่าจะแหมมันกล่าวว่าคนไม่มีบ้านอยู่บอกจะไปอยู่พรหมมิหารอั่งนั้นเน่ยอะไรนะ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 บอกว่าถ้าข้อปฏิบัติเนี่ยนะเขามีตามลำดับอย่างนี้ว่าข้ามอบายเพื่อให้เกิดในสุคติภพมร์แปเนี่ยก็ไล่ามาตามลำดับอย่างนี้ว่าเจริญอธิศเนี่ยนะเพื่อข้ามอบายเรามีศีลคือเครื่องมือที่จะให้ข้ามอบายเนี่ยเขาคือศีลศีลเป็นอุปกรณ์เพื่อข้ามอบายสมถะทั้งหลายเพื่ออุปกรณ์ข้ามกา ม, มาพบ ปัญญานี้เป็นอุปกรณ์ข้ามวตะเนี่ยนะข้ามวตะทีนี้สีปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่อยู่อะไรนะเหมือนก็คมมีดเนี่ยนะมันถามว่ามันต้องอาศัยใบยมีดไหมที่จะคมจริงต้องอาศัยหินรับมีดไหมบอกจะใช้แต่คมอย่างเดียวเลยนะเขาบอกว่ามีเหล็กอยู่อันหนึ่งเนี่ยนะเป็นเหล็กที่ระวนหนาเป็นกระว่นหนามากแล้วก็หนาเป็นตันๆเนี่ยนะถามว่ารับยังไงให้มันคมอ่อพอที่จะไปตัดอะไรขาด มันหนาเป็นคืบๆเนี่ยมันทื่อๆ อ, อย่างนั้นอ่ะนะเพรา ะ, ะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบเนี่ยนะจะต้องมาลับให้มันคมเพราะปัญญาเนี่ยมันเป็นสเป็นผลผลิตของศีลและสมาธิมันเป็นผลผลิตมันเป็นผลของศีลสมาธิอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญา สมาธ yes. ิท oh ี่ประกอบด้วยปัญญาอมัคคปัญญาวิปัสนาปัญญาเนี่ยมันเป็นผลผลิตของศีลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นผลผลิตของสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆเพราะถ้าเราคุณธรรมระดับล่างๆอ่อนอ่อนเรียกว่าคำว่าอ่อนเนี่ยแปลว่าเละนะมันอ่อนแบบตั้งหู้อย่างนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอย่างนั้นเถอะทาอะไรไม่ได้เจริญอะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นอยากคิดว่า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 มันช anyway, ่วยได้ช่วยกบให้มาเกิดเป็นมนุษย์ช่วยนาคช่วยงูให้มาเกิดเป็นมนุษย์ช่วยม้าช่วยช้างให้มาเกิดเป็นมนุษย์และช่วยพวกมนุษย์ให้บรรลุให้เกิดในสวรรค์นะช่วยพวกมนุษย์เนี่ยให้เกิดในพรหมโลกช่วยมนุษย์ให้บรรลุมรรคผลในพานช่วยเทวดาให้บรรลุมรรคผลนิพานพรอมาคิดลักษณะนี้เห็นได้ว่าพระองค์นี่เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์จริงๆเนี่ยนะก็เริ่มเห็นพระพุทธคุณบทว่าสาสถาเทวมนุษยานัง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 ก็นั่งขอกันไอ้ที่บอกโอ้ยคำมงคลคำมีดอยู่ครึ่งชั่วโมงบางคนนี่ขอทั้งนั้นเลยเนี่ยนะไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าอะไรหรอกก็นั่งขอโอยครึ่งชั่วโมงไม่ได้ทําเหตุอะไรเลยไปถึงก็ขอขอขอขอขอขอยกมือไหว้น่นะประนมสิทินิ้วขึ้นมาแล้วก็ขอขอขออโอ้ยบิญญาณเนอสงสารจริงๆนี่ต่อไปแล้วที่สมมติวตั้งความปรารถนาเนี่ยนะไอ้คือขอเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่ผิดอะไรหรอกสมัยก่อนเขาทาบุญเขาก็ขอกันทั้งนั้นแหละ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 เมื่อได้เหตุอันสมควรก็คือว่ า, าคนไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่าไรกันนาะเนี่ยนะก็เลยไม่ว่าเออถ้าหากว่าได้พิมพ์เรียกว่าอะไรนะบทเกี่ยวกับอิติปิโสเนี่ยไปวางไว้คือปกติเนี่ยก็คือมันนั่งลดทบทวนเออหลายคนก็ทําผ้าเนี่ยนะทาบุญด้วยผ้าปีหนึ่งในใ น, ในกลุ่มที่ที่รู้จักกันเนี่ยกลุ่มปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วหมดหละให้มื่นเนี่ยนะในการทําผ้าเนี่ยนะ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 เล่มสวยเออใครอยากอ่า น, นะมันมีพระพุทธรูปหลงพ่อเมตตาเออก็สวยดีเนี่ยเราแทนที่จะเป็นดอกไม้ทั่วๆไปนะเอาภาพพระพุทธรูปเนี่ยที่งดงามแล้วเป็นหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้วก็บูชาเนี่ย น, นะก็เลยคิดว่าเออแล้วใครเอาไปอ่านหนึ่งคนนี่เราอ่านก็มีเด็กมาอ่านด้วยนะมาอาระหังส้ำมารพร้อมกันมันคัด ก, ก็บอกเออเป็นหนังสือเนี่ยนะคิดเขาอิติปิโสให้เราหนึ่งครั้งก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วละเนี่ยนะ ถือว่าคุ้มค่าแล้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลนลัล่นแหะก็เลยมาคิดจริงๆแล้วใช้ต้นทุนไม่สูงถ้าเทียบกับทําบุญเรื่องอื่นๆมะใช้ทุนไม่สูงด้วยนะต้นทุนไม่สูงและหนังสืออย่างน้อยมันอ่านกันได้เวียนกันเป็นสิบๆรอบเนี่ยนะและถ้าเป็นหนังสือที่มีภาพพระพุทธ ร, รูปประกอบเขาไม่ทิ้งคว้างแน่นอนและเราก็ต้องเอาหนังสือเหล่านี้มันก็เหมือนกับว่าอะไรนะไปวางไว้ตามพระเจดีย์ต่างๆแล้คนก็ไปเห็นไปอ่านเพราะคนถือว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีอยู่แล้วไปไปถือไปอ่านเนี่ยนะ